สังทำงานหลวงพ่อเป็นผู้พูดตั้งนั่งหลายเป็นผู้ฟังฟังแล้วนําไปปฏิบัติในฟังแล้วจําเอาถ้จําก็ได้ของปลอมก็ทําทให้เกิดขึ้นก็ได้ของจริงที่นี่สอนกันเรื่องปฏิบัติธรรมไม่ใชสอนเรื่องพิธีลีตองปฏิบัติธรรมก็เข้าถึงตัวธรรมเลยทีเดียว เพ่อเรามาสร้างความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็มีอยู่เราประกอบให้มีต่อเนื่องตามรูปแบบของสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่ามีสติไปในกายเราก็มีกายให้สติท่องเที่ยวไปในกายนี้วิธีใดที่จะให้สติท่องเที่ยวไปในกายก็มี กรรมาฐานเป็นที่ตั้งที่ตั้งแข็งการกระทาฐานคือที่ตั้งการกระทาให้มีเจตนาให้รู้เพื่อนเรายกมือเคลื่อนไหวไปมานี่ให้รู้สึกตัวเคลื่อนไหวเพื่อให้รู้สติมันต้องประกอบไม่ใช่คิดเอาท่องเอาเป็นภาษากลมพูดต้องออกกายไปต่อเอา ความรู้สึกตัวเอาจิตใจไปต่อเอากับความรู้สึกตัวแล้วก็มีกายมีใจแต่ใจจับต้องไม่ได้เราจะมีความรู้สึกตัวปฏี่กายกขอนพอรู้สึกตัวที่กายเข้าใจมันก็อยู่นี่แล้วเวลามันหลงไปทางความคิดจิตใจเราก็รู้สึกตัวกลับมาที่กายไม่ต้องไปยุ่งกับจิตใจ แต่ระห้ามมันเราจะคิดก็แต่มันจะคิดแต่เวลาอะไรที่มันคิดเราก็รู้สึกตัวกลับมาหากายหาที่ตั้งเอาไว้ให้รู้จักจกลับมาตั้งไว้ที่เดิมไปเมื่อไหร่ก็กลับมาปฏิคิกลับ ม, มันหลงไปทางใดก็กลับมาความหลงมันทำให้เรารู้สึกตัวได้สอนตัวหลงด้วยเรากลับมาได้ มันก็มายากไม่เหมือนเรื่องวัวเรื่องควายเรื่องลูกเรื่องเต้ามันอยู่กับเราเองเรานั่งเฉยๆก็กลับมาได้แม่จิตมันคิดเก่งท่องเที่ยวไปทุกสารทิศแต่ว่ามันก็ไม่สุขสนดื้อดานเราจะมีโอกาสสอนมันได้อยู่เวลามันหลงไปนะจากความความคิดนั่น ะ, ะเราก็รู้สึกตัวกลับมาเมื่อมันคิดไปหลงไป เรารูจ้จตัวกลับมาอยู่กับที่ตัง้งมันก็ถูกสอนจิตแล้วจิตถูกสอนแล้วเมื่อจิตถูกสั่งถูกสอนบ่อยๆมันก็รู้ว่าไม่สอนมันก็ไม่รู้หลงลอยข้างฝันหนก็หลงอยู่เช่นนั้นรวมหลงไปทางความคิดอ่ะไม่มีใครสอนเลยกัางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวลองคืนว่าฝันกังวลนว่าคิด มันก็เป็นสำมสนเป็นจิตที่สำมสอนอารมณ์จะพอพิวไปไหนก็ไปกับเขาไปยินดีไปยินร้ายไปพอใจไม่พอใจอรมชิดเกิดขึ้นเฉยน้ำตาลุง่งน้ำตาไหลาเป็นทุกข์นอนม่หลับได้ว่าไม่ได้สอนจิตสักทีไม่จิตไม่ถูกสอนมันขอดืดด้านทุก ส, สน เรื่องความโงเหงาหอนอนเนี่ยมันดื้อว่าให้มันรู้อยู่นี้มันไม่ยอมรู้มันจะหลับอย่างเดียวเหมือนลูกเรามันดื้อเวลาเราสอนมันไม่ฟังมันเฉยเราก็สอนหบ่อยๆหาวิธีที่สอนมันบ่อยๆพอมันทํำบ่อยๆเห็นลูกมันดื้อมันซุกสนทําแจ้าแตกเราไม่ต้องด่ามัน พามันไปจับให้กวดมาคนอ่อนก็ได้มาแล้วก็กวดถ้ามันขวด้วยเราขวดด้วยข ว, ว, วดใส่กระเปเอาพามันเอาไปทิ้งไม่ต้องบอกมันก็ได้พามันทําตัวอย่างมาดีขวดคาสอนบางทีเราไม่ต้องพูดพาทําไปเลยมันลึกซึ้งขวกันการสอนใจนี้ก็เหมือนกันไม่เช่เพื่อข่มเทียดเพราะ จิตใจมันไม่มีอะไรที่จะไปํำเคียด ก, กับมันแต่มันคิดมันหลงเฉยๆแต่มันหองวงเราก็หาวิธีที่จะให้โค้งแรงให้ตื่นถ้าเรายกมือสร้างจังหวะอาจจะทำแรงๆหรือตั้งต้นมามองออกไปทั้งนอกท้องฟ้าค้อนเมฆทำรู้สึกตัวทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออก มองเห็นเป็นกลางวานันไม่ใช่กลางคืนกลางวันเป็นเวลาทำงานกลางคืนจะค่อยนอนก็บอกตัวเองให้มีความรู้สึกตัวเราค่อยกับว่ายกมือสร้างจังหวะหมาตั้งต้นมาอย่าไปทำวา่ายีโบทเดียวบางทีมันพลาดได้เอาลีบทนานกันไปมันก็ไม่ชัดเจนเราจงึงตั้งต้นมาอยู่เรื่อยเอาว่ายเทคนิค ก, การสอนเราเนี่ยเยอะแยะ อย่าไปจนอย่านั่งสงอกอยู่ให้คนเห็นหรือพี่เจ้าจก็ลุกขึ้นเดินจงกรมเพื่อนไหวไปมาจนผัวมันปกติมันก็ถูกสรนถ้ามันง่วงก็หลับไปเลยหาวอ้าปากตาตาอ่อนไปเลยมันก็ไม่ถูกสอนตัวก็เป็นนิสัยของความง่วงโอยขิน ออกหน้าออกตาความชิดท่งสั้นเหมือนกับไก่เขีย่ยไม่เป็นชินเป็นอันทาให้หลงตัวเรื่องตนแต่กับความคิดแล้วก็จับจังหวะเข้าไปให้นับหนึ่งสองสามถงสิบสี่จังหวะให้เป็นจังหวะอย่าทำมั่วชัดเจดแพ่มเยื่อมาหน้าวางตาเยี่ยมแย้ยมแจ่มใสเวลามันผิดก็หัวเลาะความผิด ไม่ใช่เสียใจเพราะมันผิดเวลามันหลงกับหัวโลกของหลงสติต้องมีสัาราสีต้องมีที่ตั้งอันมั่นคงไม่ห่อนแย่นกอดแขนกับอารมณ์ต่างๆแล้วก็ให้มันชัดเจนเวลามันรุ่นวาเชื่อความคิดพุ่งซ้อนก็ให้เห็นความคิดแล้วกบมาลุกตัว ตัวคิดใจนะั้นอันหนึ่งตัวรู้สึกตัวเป็นอันหนึ่งคนละอันกันอย่าไปสนใจมันกลับมาตั้งไว้ที่ฐานอย่านี้ออกไปแม้นั้นไปแล้วก็กลับมาฝึกสอนหลายข้างหลายหวนวมันก็รู้ได้ต่อไปง่ายจะไม่หลงง่ายจะรู้ของง่ายจะรู้สึกตัวมันก็บอเมื่อเราสอน นักเรียนครูสอนนักเรียนอาจารย์สอนลูกศิษย์มันไม่ช่ยสอนอยู่ตลอดเวลาสอนจนขาสอนตัวเขาหลงตาเครสอนคนบ้าเวลามันหลงไปมันก็ทอมปากทำมือสู้ชี้สู้ชี้ไปเราก็ดูมันต่างห่างเวลาอาจาย์ก็ออกมันก็กกกกกสศบตา ก, กับเราเราก็สอบตา ก, กับมันก็เรียกมาหา มานี้มาแล้วก็มือบีบขาบีบก็ไม่ให้เรงเท่าไหร่พอเจ็บพอดีเนี่ยต่อ เ, เจ็บไหมเจ็บทำไมเราจึงบีบขาให้มันเจ็บเพราะให้มันรู้เคยทำผิดบอกให้เดินจงกลมทำไมไปเตะตนวน้าทำไมไปทำมือทำปากลองโทษตัวเองบอกเล่ามันเอาต่อไปอย่าทำนะแล้วก็รับปากไว้จาไปไปเดินจงกลม พอเดินไปมันทำบีกพระมันติดมันมองหาเรามันสำนึกได้มันมองหาเราเรากำท่าทำท่าไม่ศพตากับมันแล้วก็ตั้งใจใหม่ตุลามันทำบีกผิดอีกมัน ก, ก็มองหาเรามันกลัวเราจะบีบขามาันแสดงว่ามีสติแล้วต่อไปก็ฝึกมั้นก็ฝึกตัวเองมันก็ฝึกตัวเองก็เลยดีขึ้นมาแต่งบเสี่งยงหน้าเถอะเราชักท่วง มันไม่เห็นตัวมันหลงคนอื่นทักท้วงก็ก็ดีเหมือนกันถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยทักท้วงดูซิชีวิตเราให้ไปอยู่ตรงนี้แต่มันไปทางอื่นทักท้วงมันกลับมาถ้ามันหลงก็มีความรู้วนควงหลงก็มันทุกข์ก็มีความรู้วนควงทุกข์มันปรงแต่งอะไรไปก็มีความรู้ือการปรงแต่งเราลูดด้ตัวเดียวเป็นตัวเฉลยปัญหาที่เกิดกับกายกใจได้ทั้งหมดเลย หากใช่ถ้าไม่หาดใช่ตัวรู้ไปเฉลยมันก็ไม่มีบทเรียนไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนตัวเรานี่เรได้บทเรียนจากวันหลงได้บเรียนจากวันผิดมันถูกเด้วยป่าผิดถูกไม่ใช่เป็นตัวผิดตัวถูกเป็นตัวรู้เสร็จแล้วความทุกข์ก็ไม่ใช่เป็นความทุกข์เป็นตัวรู้ไปเสร็จแล้วความทุกข์ไม่มีค่าความโกรธไม่มีค่าความหลงไม่มีค่า มีค่าคือความรู้สึกตัวยิ่งใหญ่กว่าอาการต่างๆเพราะความรู้สึกตัวมันถูกต้องสัมผัสดูแล้วหนึ่งวันสองวันเคยคินในเรื่องความรู้เห็นความรู้ความหลงคนละอย่างกันเลือกเป็นรู้จากเลือกเป็นเลือกได้ได้บทเรียนมาไม่มีใครสอนเราเราสอนตัวเองสัมผัสความหลงความรู้สัมผัสความ ทุกกว่าไม่ทุกความทุกความสุมกแล้วก็รู้แล้วก็ไล่คำตอบวงพ้นภาวะเดิมปัญหาเรื่องความหลงเป็นเรื่องง่ายจะแล้วปัญหาเรื่องความทุกข์ความโกรธเป็นเรื่องง่ายแต่ก่อนเป็นเรื่องใหญ่เรานอนหาเรื่องไม้ชิดจะนอนไม่หลับว่ายังเอามือกัหัวเพีกซ่าเพีกขวายังนอนไม่หลับพอเราฝึกไปฝึกไป เวลานอนนี่ก็เวลามันคิดหันเลาะมันกลับมาไม่มีอะไรแล้วยิ้มสบายมันกล่อมเสีวมีรสชาติถ้ามันคิดที่ใดมันบังกล่อมมาเรารู้ไม่ตั้งใจมันลู้เองมันผิดเองมันเช่เองเมื่อมันในมันหลงที่กายกายมันแช่หลงที่ใจใจมันแช่หลงที่ความคิดความคิดจะแช่ของมันไปเองมันอยู่ด้วยกัน มันหน้ามือหลังมือความหลงมันหน้ามือความไม่หลงมันหลังมืออย่างนี้เราจึงเป็นการสอนตัวเองสอนในลู้อยา่างนี้ไม่มีใครสอนเราได้นอกจากเราสอนตัวเราการสอนให้เป็นจากเนี้ยเมื่อมันหลงลู่สอนให้เป็นทำเป็นแล้วถ้ามันทุ ก, ก, ทก IL, รู้ทำเป็นแล้วถ้ามันโกรธรู้ทำเป็นแล้วแต่ก่อนเมื่อมันโกรธ ก็เป็นโกรธไปเลยความโกรธพ่ายโกรธความทุกข์พ่ายทุกข์ความหลงพ่ายหลงไปเลยพราะเราสอนเราไปบ่อยๆหนึวันทุกเจ็ดวันเน่ยความหลงพ่ายรู้ความโกรธพ่ายรู้ความทุกข์พ่ายรู้ความไม่เที่ยงพ่ายรู้อะไรต่างๆพ่ายรู้หมดเลยก็ไปทางนี้ียแล้วก่นตรงลูกก็เป็นอินทรีย์ตัวใหญ่ทว่าสติอินทรีย์ของเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจเลยกายใจเรานี้ เราไม่ได้เป็นเจ้าของความหลงเป็นเจ้าของมานานเหลือเกินต้องถามตัวเองดูชีวิตเรามาถึงปุ่ณ น, นี้สภาพความรู้กับความหลงอันไหนมากกว่ากันเมื่อมีความหลงมันก็ไม่เป็นธรรมต่อชีวิตถ้ามีความรู้กว่าเป็นธรรมเกิดขึ้นต่อชีวิตได้เราจะมาสร้างตัวนัะนจนมาเกิดความันทําจนเป็นมรรคเป็นผลกันมา เกิดสินเกิดสมาธิขึ้นมาตาว่าแห่งความรู้จึกตัวก็เป็นตัวศินแล้วไม่ได้คิดไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พูดอะไรสํารวมอยู่ตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้ก็เป็นการรักษาสินสํารวมกายวิจารใจด้วยเมื่อมีความรู้บ่อ ย, ยกวมมั่นคงมั่นคงแน่นยาชัดเจนการใช้ชีวิตในรูปแบบนอกรูปแบบ กวดว่านทำของทำงานทำการชัดเจนไม่สองจิตสองใจขวดว่านเ้าอยู่ที่ขวดว่านมีนสติไปแต่ก่อนกวดว่านไม่ใช่อยู่ที่กวดว่านมันคิดไปว่ายากว่างา่ายว่าลาบากักนนั่นทำไมลกคนนี้ทำห้ลงรังเป็นภาระต่อเราคิดไปบ่นไปมันก็ทำงานสองส่วนทั้งกายทั้งใจด้วยเหนื่อย าการกดบ้างกดเป็นความดีไม่ควรไปชิดเรื่องยากเรื่องง่ายไปสติไปด้วยมีแต่กรรมฐานเต็มไปหมดเลยกดบ้านกรรมฐานล่างถ้วยกรรมฐานล่างแย้ากรรมฐานทำอาหารหลังกรรมฐานตกาักผ้กมมาซักผ่นกรรมฐานล้างหน้าแป้งพันกรรมฐานทํางานทําการกรรมฐานเป็นคานงานที่เหมาะสมเหมาะแก่การงานชอบ ตั้งใจก็ชอบพวกก็ชอบคิดก็ชอบการงาก็ชอบไปแต่พื้ต่ผืนไปถ้าทั้งต้นได้ก็ไปกันได้เลยมันก็มีเท่านี้มีตัวหลงตัวรู้มีสภาวะที่หลงมีสภาวะที่รู้ถ้าสภาวะที่รู้มันก็ไปถึงจุดหมายปลายทางกันทางผ่านถ้าสภาวะที่หลงก็ไปไม่ได้เพรามหลงอย่าเดียวก็หลงจนตาย บางคั้งทีม่มีประโยชน์ความทุกข์อย่างเดียวก็ทุกข์จนตายความโกรธอย่างเดียวก็โกรธจนตายไม่ใช่นัน ง, งอกขึ้นมาอันโกรธอันเขา่าความทุกข์อันเขา่าความหล ง, ลงอันเขา่ามันก็ไปไม่ได้โ ช, ช่ไม่แจ็กุญแจไม่ไขมันก็ไม่หลุดไปถ้ามันหลุดไปจากความหลงควาโลภขอ ง, งโกรธมันจะเป็นอย่างงไงลองมาศึกษาดูจะเห็นกระแส จนเข้าใจเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมความโลภ ค, ความโกรธความหลงไม่มีที่ตั้งเลยไม่มีที่ตั้งมีแต่รูปแต่นามตามความเป็นจริงหาที่ตั้งให้ความทุกข์ไม่มีหาที่ตั้งความโกรธไม่มีมีแต่สาภาพอาการธรรมชาติตามความเป็นจริงของรูปของนามแต่ก่อนเอารูปมาเป็นทุกข์เอานามมาเป็นทุกข์พอศึกษไปเอารูปมาเป็นปัญญาเอานามมาเป็นปัญญา สร้างปัญญามันจบที่ตรงนี้เกิดเบิ้งสี่ปัญญาเกิดจากรูปจากนามเกิดจากกาจากใจคองคนนั้นเราจึงต้องมาศึกษาดูมันเป็นตําราเรื่องใหญ่กลายเป็นตาําราใจเป็นตาําราสติเป็นนักศึกษาเห็นหมดปเห็นครบเห็นทุวนอะไรที่แสดงสออกทางทกยายประสุข ย, ยังไงประทุกข์ยังไงกลวมาเที่ยงยังไงกลมเชื่อโตตัวยังไง อะไความไม่เที่ยงเป็นความไม่เที่ยงหรือว่าเป็นปัญญาเป็นอะไรกวาไม่ทุกเกิดขึ้นเป็นความไม่ทุกความไม่ทุกทําให้เป็นทุกพอมันศึกษาความไม่ทุกทําให้เกิดปัญญาบอกทุกเนี่ยแหละทําให้เกิดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เหนทุกเห็นทุกเป็นการเห็นอันประเสริฐงั้นเราเห็นงู ถ้าไม่เห็นมันมันก็กัดเก็บปวดถึงเขียนตายไปความทุกข์ก็มากขึ้นเสียเปรียบความทุกข์นาน ม, มากต่อมากพอมาเห็นมันโอ้ยมันก็ ม, มีชิ้นใหญ่ละใจมันเกิดจากความหลงต้นเองต้นโตของมันอวิชชาหรือวิชาอาวิชชาภายเกิดสังขารบงแต่งได้สังขารไปเกิด น, นามลูกวงไปอีกนามลูกก่เกิดอรยธรรม ขยายไปอีกเจตนะขอให้เกิดปัสสะขยายไปอีกปัสสะได้เกิดเดตฏนาสาทั้งวัฏฐานพบชาติฉลาดมรณะเป็นภพเป็นชาติไปเกิดดับเกิดดับถ้าวิชาไม่มีเป็นวิชาเรก็สังขารดับรูปนามดับนามรูปดับมันก็เป็นธรรมชาติล้วนๆสักแต่ว่าง่ายกายใจของเรานะี่ยไม่เหมือนการศึกษาเดี๋มันจบเป็น ศึกษาทางโลกกระจบไม่เป็นต่างเชื่อโลกนะต้องศึกษาอยู่เรื่อยแต่ก่อนโลกเอ็กก็มีโลกวัณเณรก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่นี่มีกระทั่งโลกคไขวัดนกโลกอะไรต่างๆเยอะๆไปเลยไขวัดตุกไขวัดขี้หนูไขวัต่างๆมากมายเราจึงไม่ควรหยุดทิ้งยุคนี้แหะเป็นยุคทองยุคทำเพราะมันมีปัญหาเราไม่ยอม เมื่อเราเห็นปัญหาเราก็เกิดความยุบถงยุบถงกันมาเมื่อเราจนความจนให้เราเป็นเสตีก็ได้ความจนเราใช้ชีวิตทำตัวเป็นคนจนทำให้เราร่ำรวยได้ถ้าคนจนทาตัวเป็นคนรวยมิแต่ยากจนรู้จักสซ่เขียมเตียมตนขออยันขันแข็งด้วจากใชู้้จักรักษารู้จักหาไม่สู้ชลาไม่ประบาท ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาก็ใส่ใจมองทิศมองทางเพื่อจากเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกชีวิตของเราจึงจะอยู่โลดปลอดภัยมาใช้งูมงมายทุกวันนี้สิ่งที่ทำให้เราู้หลงมีมากเหลือเกินข้อมูลข่าวสารต่างๆเขาสร้างให้คนหลงเขาได้ประโยชน์ โสเพลงใมากกว่าหมอหงการพนันมากกว่าโรงเรียนรวมจั่นดุลในพุทธรรมมันก็ไม่มีเท่าไหร่การไปไหนมาไหนก็ไม่ปลอดภัยเพราะเราจะเป็นคนดีคนเดียวไม่ได้ต้องช่วยกันไม่ปียดเบียนตนไม่ปีบเลียนคนอื่นยังไม่พอต้องไปสอนใคนอื่นให้เขาไม่ปีบเลียนเขา ให้เขาเวียบีเปลี่ยนคนอื่นน้าเขามีจิตบริสุธิ์หนึ่งสองสามเลยป่าทำมันมากขึ้นมาเราก็อยู่กันร่วมโลกด้วยความสันติสุขสันติภาพมชาชารดีเราดีคนเดียวต้องช่วยกันจึงมีสถานที่แบบนี้ตั้งทา ม, มาสอนพวกเราก็มาศึกษาเรีนกันชิดชนกันดูพี่รู้สองน้องรู้ดังเออเรามั่นใจตรงนี้มากที่สุดเลย สภาพที่ความรู้สึกตัวน่ะเป็นสภาพเทศดคบทางเป็นกระแสะแห่งความไม่ทุกได้ทีเดียวเลยดี่ยทีอื่นไม่รู้ถ้ามาที่นี่ก็มาศึกษาเรื่องสติไม่ต้องมีพิธีอะไรมากมายมาเราก็เดินจังกรมสร่างจังห ว, วะทาสมาธิแล้วก็อยู่กับเราแล้วเป็นงผุดขัดตัดแต่งแก้ไขตนเเอง น่าหัดเป็นแล้วไม่ใช่อยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนก็ห่างตาความหลงก็อยู่ที่เราความไม่หลงก็อยู่ที่เราผมทุกข์ก็อยู่ที่เราความไม่ทุกข์ก็อยู่ที่เราพ่อรู้จักเปลี่ยนแรงแฉ้ไขประพงเตือนตนสอนตนไปดีวันดีคืนไปได้